นตรขอโอกาสพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสทธรรมมิกทุกท่านจเจริญธรรมมาชีนะและใหญ่ธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำท่วมใหญ่นะโดยเพาะในกรุงเทพน้ำก็มาจากทุกทิศทุกทางนะมาจากภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีการไป ก, กักน้ำเอาไว้นะ ไปสร้างเป็นกำแพงขึ้นมานะกำแพงดินบ้างกำแพงคอนกรีตต่างๆบ้างนะโดยเพราะนิคมคุตสาก์ต่างๆก็ทนไม่ไหว น, น้ำก็ทะลักเข้าไปทำความเสียหายมากกว่าเก่าอีกเพราะว่าไปกั้นไวสูงนะยิ่งกั้นไวสูงเท่าไหร่ความเสียหายก็ยิ่งจะมากเท่านั้นแล้วก็ตามที่ต่างๆตอกซอกซอยก็เสียหายกันเยอะมาก นะบางคนก็ตายกันเยอะแยะอนะที่หมู่บ้านบางบททองก็ตายกไปถึงเจ็ดแปดเจ็ดแปดคนนะเพราะว่าไปไปกันไปเหมือนกันนะพอทลักษ์มาทิ้งก็หนีกันไม่ทันแล้วก็เกิดความประมาทคิดว่าโอ้มันก็ยังไม่ไมเข้ามานะก็ไม่เก็บข้าวของหนีกันแต่พอมาทงจริงๆแล้วก็หนีไม่ทันโดยเพราะคนป่วยนะคนชราทั้งหลายนะหรือเด็ ก, ดกนะ ก็หนี้ก็ไม่ทันนะเพราะว่าอยู่ในซอกซอยเนี่ยพอน้ําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ออกมาไม่ได้แล้วรถจะวิง่งเข้าไปรับก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะอันนี้ก็แสดงหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วโดยลักษณะธรรมชาติของน้ําเนี่ยมันก็จะไหลลงไปสู่ที่ต่ําจากที่สูงนจะไหลลงไปที่ต่ําอยู่เสมอแล้วก็นี้เมื่อมีอะไรไปกัน้นเขาเนี่ยแรงที่ ปะทะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจะมากขึ้นเพราะว่ามีการไปปิดกั้นนะพอปิดกั้นปั๊บมันก็จะพังทลายหนักกว่าเก่าอีกนะแต่ถ้โดยธรรมชาติของน้ําเนี่ยถ้าปล่อยให้เขาผ่านไปเรื่อยๆ น, นะเขก็ไม่ไม่สูงท่วมมากนะก็ไปเรื่อยๆของเขาก็อไม่เกินห้าสิบเซนนะไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็ในทสุกไปลงทะเลในที่สุดออันนี้ที่เสียหายมากส่วนหนึ่งก็คือไปปิดกั้นเอาไว้นะแล้วก็ เป็นประสบการณ์ของทางอฝ่ายที่ดูแลในตรงนี้ว่าไปปิดกั้นไม่ได้นะก็คือควรจะให้เขาผ่านไปลงทะเลให้เร็วที่สุดนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าเออถ้าเรามาศึกษาเรื่องธรรมชาติของน้ํากับจิตใจของเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะคื อ, อจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีกิเลสอยู่เรื่อยๆกิเลสนี่ก็เรียกว่ามันจะไหลลงสู่ที่ต่ําอยู่เสมอนะมันจะไหลลงมาเรื่อย เ, อยเนี่ย อยู่เป็นประจำนะครั้งนี้เราก็มีหน้าที่ที่ว่าเออเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ให้ก็ผ่านไปอย่าไปกักเขาไว้นะพอมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นออความยินดียินไายความรักความชังอารมณ์ทั้งหลายแหล่นะี่แหละพอเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้ทันแล้วเราก็ปล่อยเขาออกไปอย่าไปเก็บเขาไว้การที่ไปเก็บเขาไว้เนี่ยบางคนก็ไปกดดันตัวเองนะออมีความโกรธก็ไม่แสดงออกเนี่ย เก็บไว้เยอะๆเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไว้บางคนดูแล้วโอ้คนนี้ก็นิ่งเงียบดีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นการเก็บเอาไว้นพอถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็ระเบิดออกมาระเบิดมันก็โอ้โหอันนี้หนักเลยมันกับระเบิดลงนะ <c oughs> อันนี้รุนแรงมากนะ <c oughs> อันนี้ก็เคยสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นคนใจเย็นโอ้ใครว่าอะไรก็ไม่โกรธ น, นิ่งเงียบ เพื่อนเห็นก็เลยล้อเล่นอยู่เรื่อยๆนะบางคนก็ไปแกล้งไปอะไรปรากฏวันนึงก็ระเบิดตูม้มโอ้ทำร้ายคนที่มาด่ามาว่าอย่างรุนแรงเลยนะไปชกต่อยเวทอะไรเขาเตะซ้ํากระทืบเลยนะซึ่งไม่เคยมีใครเห็นลักษณะอันนี้มาก่อนนะ เ, นเป็นคนเรียบร้อยนะแต่ไปเก็บกดได้ยเยอะมันก็ระเบิดระเบิดตูมออกมานะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราอาที่กันน้ํามาเนี่ย พอกันถึงระดับหนึ่งมันทนไม่ไหวก็ระเบิดขึ้นมาก็คือค่าไปปุ๊บนี่ก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เร็วรุนแรงนะแต่ถ้าให้มันผ่านไปเอออารมณ์อะไรเกิดขึ้นต่างๆมาก็ให้มันผ่านไปนะไม่ไปกักเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่มีความทุกข์ในตรงนั้นด้วยก็คือจิตของเราเนี่ยต้องรู้เท่าทันนะอารมณ์ต่างๆให้เร็วนะการที่เรารู้เท่าทันอานะรมณ์ต่างๆให้เร็วนั่นแหละ แค่เรารู้เฉยๆเท่านั้นเองนะรู้เฉยนะมันก็จะผ่านไปนะความรู้สึกตัวเนี่ยก็มีหลายระดับนะรู้สึกตัวที่ระดับั้นต้นๆนะระดับเบื้องเบื้องต้นเราก็รู้สึกตัวใส่ฐานกายนี่แหละมารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวนะของกายมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะยกแขนเดินด น, นะดื่มกินพูดคิด แขนเหยียดแขนข่มเงินต่างๆก็รู้สึกไปอันนี้เป็นความรู้สึกตัวเบื้องต้นอาศัยฐานกายเนี่ยเรามารู้สึกในตรงนี้นะก็เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นเราก็อยู่กับปัจจุบันนะมัน ก, ก็เป็นความรู้สึกตัวขึ้นมานะอาศัยตรงนี้มาเป็นที่อยู่ของจิตเมื่อจิตมีที่อยู่แล้วก็ไม่ไม่อาจที่จะดิ้นรนไปได้ไกลนะก็คือไม่กวัดแกวงไกลนะมันก็กลับมาที่ฐานกายในทุกๆครั้ง เราก็ใส่ตัวนี้เป็นเครื่องอยู่มันก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันนี่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมื่อเจอไรก็เป็นอดีตนะหรือนาคเป็นส่วนใหญ่นะเมื่ออยู่ปัจจุบันแล้วก็กลับมาสู่ปัจจุบันได้ทุกครั้งนีมันไปไม่ไกลหรอกเพราะความที่เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะจริงๆแล้วการอยู่กับปัจจุบันนั้มีหลายวิธีการนะเช่นอาณาปานสติเป็นต้นก็อยู่ได้นะอยู่กับความรู้สึกตัวในการหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นปัจจุบัน หรือ อ, อาจจะอยู่กับคำบริกรรมต่างๆก็ได้นะพุโทโธสัมมาหังทั้งหลายลเหล่านี้คือการอยู่กับปัจจุบันทั้งหมดเลยนะเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยครั้นี้เมื่อได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยการภาวนาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการภาวนาที่เรียกว่ า, าเป็นแค่ภาวนาแบบการอยู่วองจิตเท่านั้นเองไม่ไปบังคับจิตให้ให้อยู่กับที่ให้นิ่งสงบอะไรเพราะถ้าบังคับจิตให้นิ่งสงบปั๊บมันก็กลาสมถะทันทีนะ แต่ถ้ามีการภาวนาเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่พุโทโธพองยุบสัมมาหลังแค่เราบริกรรมเล่นๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างหนึ่งเมื่อมีความคิดปั๊บคําบริกรรมก็หยุดไปนะแต่เมื่อบริกรรมเรื่อยๆมันก็กลับมาอีกนะกลายเป็นว่าเราก็รู้อยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยคำบริกรรมก็หยุดไปทันทีนะแต่ว่าเมื่อจิตยังทํางานอยู่คําบริกรรมความคิดก็หยุดไปเหมือนกันนะมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ นะเพราะนั้นจริงๆแล้วในวิธีการต่างๆในโลกนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เราอยู่กับปัจจุบันได้นะแต่ว่าเราก็ใส่ตรงนี้นะั่นแหละคือเราสามารถทําในทั้งวันนะการเคลื่อนไหวทั้งวันเราทําได้อยู่แล้วนะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดคู่แคร์เยดแครมันเป็นสิ่งที่เราทําในทั้งวันนะเพียงแต่เราไม่ไปเพ่งมันเอาไว้นะเราก็รู้ไปเรื่อยๆนะมันก็อยู่กับปัจจุบันปับ๊บเนี่ยความพูทตัวเกิดขึ้นนะนนี้เป็นระดับขัน้นต้นที่เราต้องฝึกเอาไว้ แล้วในที่สุดมันก็จะเข้าไปสู่ความละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะความรู้สึกตัวที่ทละเอียดมันจะเข้าไปสู่รู้ของฐานจิตนะรู้ฐานจิตได้เร็วขึ้นการที่ามีความคิดต่างๆเนี่ยมันก็จะไวนะความไวที่จะรู้เท่าทันความคิดอ่ามันเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าทุกวันเนี่ยมันจะมีการลบอยู่หลายอย่างนะโดยเพออ่าทางอากาศนี่จะถือว่าถ้าผู้ใดคลองน่านฟ้าเนี่ยคนนั้นก็จะลบ ชนะอย่างแน่นอนนะเพราะนั้นถ้าประเทศไหนที่มีเครื่องบินเร็วนะมีความแรงเร็วกว่าเสียงะจะชนะอย่างแน่นอนนะเพราะมีความเร็วมากนะแล้วอาวุธอะไรที่ไปต่อสู้กับเครื่องบินนะอาวุธที่จะต่อสู้กับเครื่องบินก็คือเครื่องบินลบนั่นเองนะเครื่องบินลบก็มีความเร็วเท่าๆกันนะจึงจะต่อสู้กันได้จิตนี่มีความเร็วมากนะมีความเร็วนะ ยิ่งกว่าเครื่องบินเสีเนะสิ่งที่จะมีความเร็วใกล้เคียงกับจิตนะก็คือสตินะสติมันจะรู้เท่าทันได้เร็วขึ้นยิ่งเราฝึกมีการฝึกให้ไวนะให้มีจิตตื่นตัวอยู่เสมอนะจิตที่รู้เท่าทันนะคันทางกายบ่อยๆนะมันจะรู้เท่าทันจิตด้วยก็คือจิตมันจะตื่นนะ เพราะนั้นเมื่อมีความคิดปั๊บเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เรารู้ไม่ทันความคิดเนี่แต่เมื่อมีการที่เราฝึกจมจิตมันตื่นแล้วเนี่ยมันจะไวนะไม่มีความคิดปั๊บมันจะรู้ทันทันทีเลยนะนี่แหละคื อ, อความไวของสติที่จะมีความเร็วใกล้เคียงกับจิตเนี่ยก็ามาแก้ไขกันได้แต่ถ้ า, าฝึกให้จิตเชื่องชาซึ้งซึมจมแช่นะมันก็ไม่ทันมันก็จมอยู่ในลมนั่นแหละจมลงไปเลยแล้วก็มีความทุกข์นะ อันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าสมัยก่อนนี่เราจะไดะ้ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธ ย, ยาเวลามีพม่ามาล้อมเมืองถ้าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฤดูน้ําหลากมาพม่าก็จะสู้น้ําไม่ไหวนะก็จะต้องยกทัพกลับไปเองนะแสดงว่าในสมัยนั้นสยามประเทศนี้ก็จะมี เครื่องป้องกันอย่างดีก็คือน้ำหลากนั่นเองนะเพราะโดยธรรมชาติของน้ำหลากเนี่ยก็จะหลากอย่างทิศเหนือลงมาสู่ภาคกลางแล้วลงไปในตอนล่างของขอ ง, ของภาคกลางคืออ่าวไทยนะการที่น้ำหลากอยู่เสมอนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของประเทศไทยในสมัยก่อนแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็มีการสร้างเรือนที่มีความสูงอยู่มีการยกพื้นอยู่ประจำนะยกยกพื้นขึ้นมาไม่ได้เป็นเรือนเตี้ยๆแบบสมัยนี้นะ แต่มาในสมัยต่อมาน ะ, ะเข้าสู่ยุคปัจจุบันนี่แหละก็มีการสร้างเขื่อนต่างๆขึ้นมาเยอะแยะนะเขื่อนอผู้มิพลเขื่อนสิลิกิตเขื่อนเล็กเขืเ่อนน้อยเยอะแยะเลยกากเก็บน้ําไว้นะ้นําก็เลยไม่หลากลงมานะไม่หลากลงมาเพราะมาติดเขื่อนเหล่านี้นั่นแหล ะ, ะทําให้บ้านเรือนเนี่ยไม่โดนน้ำท่วมนะก้านน่าก็มีน้ําท่วมทิงคนก็เลยประมาทกันก็เลยสร้างเรือนชั้นเดียวกับเป็นแถวนาะจุธยาก็ สร้างเรือนชัดเดียวแล้วก็สร้างโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะนะครั้นี้นะพอมาถึงปีนี้ก็ปรากฏว่ า, าเกิดปรากฏการานาฬิญญาขึ้นมาก็คือน้ำเนี่ยฝนนี่จะแรงนะฝนนี่จะมีความแรง พอฝนจะแรงนี่ก็ปรากฏว่าเขื่อนใหญ่ๆต่างๆหลายๆเขื่อนเช่นเขื่อนภุ่มพลเขื่อนสลีกิดเนี่ยก็เลยกักน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยน้ําลงมาตามฤดูกาลนะพปะกติ น, นี่ถ้าไม่น้ําแรงเนี่จะมีฝนตกถูกต้องเนี่ยก็จะปล่อยน้ําลงมาเรื่อยๆแต่ปีนี้เขาคิดว่าเกิดน้ําแล้งก็เลยกั ก, กเก็บน้ําไว้เต็มที่จนเกือบๆจะเต็มเขื่อนนะแต่ปรากฏว่าอ่าเรียกว่าโชคร้ายนะ แทนนี่จะนาแรงกับมีฝนตกหนักกว่าเกานะ่ามีพายุเข้ามาถึง5ลูกนะติดติดกันเขื่อนก็เลยปล่อยน้ามาเป็นจํานวนมากนีปล่อยน้ามาเยอะเพื่อที่จะจะรองรับน้ําใหม่น้ําก็เลยไหลลงมามากวา ก, านะมากว่าเกา่านะมากกว่าเก่าแล้วก็เจอพายุต่างๆเข้าไปก็เลยลงมากันมโหฬารใหญ่โตนะก็มาท่วมตั้งแต่ภาคเหนือลงมามาถึงนครสวรรค์ถึงซึ่งเป็นแหล่งรวมปิ่งวังยมนาคกลายเป็นเจ้าพระยาเริ่มต้น ลงมาลบบุรีอยุธยาจนตอนนี้ก็เข้ากรุงเทพนะอันนี้เกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่ว่าเออมีการคาดการผิดในเรื่องต่างๆเริ่มคิดว่าเออปีนี้น้ำจะแรงก็เลยกักเก็บน้ําใส่เขื่อนอไว้นะพอเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยออกมาประดังประเด เ, เข้ามากันเยอะแยะนะอันนี้เป็นการคาดการผิดอย่างหนึ่งนะแล้วก็คนสมัยก่อนก็สร้างบ้านชั้นสองชั้นแต่นีก้กลายเป็นชั้นเดียวนะ อันนี้เป็นความประมาทเป็นอย่างยิ่งนะมันก็เลยทําให้ความเสียหายใหญ่โตนะเพราะฉนั้นนะเหมือนกับที่กาญจนบุรีเหมือนกันนะการกญจนบุรีสมัยก่อนนี่ก็น้ําท่วมเป็นประจำนะเพราะน้านําป่าในเยอะมากจะหลากลงมาจากเนทะือกเขาตนาวสรีลงมาท่วมกาญจนบุรีแต่ตอนหลังมีการสร้างเขื่อนศรีนคะรินทร์ขึ้นมาก็ทําให้น้ําไม่ท่วมกาญจนบุรีต่อไปนะอันนี้ก็คือปกตินี่นะ อารมณ์ต่างๆเยจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ประจำนะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเป็นประจำเนี่ยเราก็จะรู้ทันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยมันออกไปนะแต่ว่าการที่เราฝึกนะในการที่เราจะรู้สึกตัวบ่อยๆนะนะทำให้เข้มแข็งอันนี้ก็คือการสร้างเขื่อนนั่นเองนะการสร้างเขื่อนนะที่จะป้องกันอารมณ์ต่างๆไม่ให้มาทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นนะไม่งั้นน้ำมัจะท่วมทุกปีก็คือเราต้องมีความทุกข์ทุกปีนะลากมาทุกปี แต่พอเราสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่ลงมาน้าก็จะค่อยๆลงมานะก็เป็นการกักเก็บน้ำเอาไว้อ่าเพราะนั้นเมื่อน้ำยังไม่หลากหรือเรายังไม่มีลม เ, เราก็ต้องพยายามที่จะสะสมความรู้สึกตัวให้เยอะๆนั่นเองนะการสะสมความรู้สึกตัวคือก็คือการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำเอาไว้อย่างดีนะเพราะว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อเกิดเวลาพอเรารู้สึกปั๊บเนี่ยอารมณ์มันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะ เมื่อเมื่อกันน้าที่เก็บกักเอาไว้ได้ไม่เข้ามาท่วมจิตใจของเราให้เรามีความทุกขนะ์นี่เราก็คือการที่เราต้องสร้างเขื่อนเขาเรียกว่าเราสร้างยามนะก็ได้นะหรื อ, อสิ่งที่มาป้องกันจิตของเราไม่ให้เกิดความทุกข์เป็นประจำนะนี่เราก็ต้องทําไำจุดเนี้ไว้เพราะถ้าเราไม่ทําในยามที่มันไม่มีอารมณ์ก็คือเราเปนก ป, กปกติอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกในตรงเนี่ย เมื่อเป็นมีเมื่อเรากําลังมีลมขึ้นมาเราทําทไม่ได้นะก็เมื่อคือต่างๆเนี่ยจะมาสร้างในเวลาที่น้าท่วม ก, ก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะก็ต้องทําในขณะที่น้ำยังไม่ท่วมเพราะฉนั้นเมื่อเรายังไม่มีความทุกข์เราต้องฝึกในตรงนี้ให้ได้อย่าให้อ่าความทุกข์ต่างเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ให้น้อยลงให้ไหลออกไปให้หมดนะการที่ไหลออกไปของลมทั้งหลายแหล่นี่แหล ะ, ละก็คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้รู้ทันในตรงนี้ก่อนนะการที่เรารู้เท่าทันนะ แค่เรารู้เฉยๆนะรู้เฉยๆนี่จริงๆมันก็จะดับในอยู่ในตรงนี้แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีใครเข้ามาว่าเรามานินทาเรานะทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ดีนะเราแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแค่รู้เฉยๆมันก็จบแล้วนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไปคิดนะเออว่าเราได้อย่างไรนะทํำไมถึงว่ า, วาเรานะ แค่มีความคิดขึ้นมาเท่านั้นนะ่ะมันก็ไม่ใช่การรู้เฉยๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาในความยินดียินร้ายทั้งหลายอะไรนี่แหละที่ความยินดียินร้ายเนี่ยมันก็คือสาเหตุนะแห่งตัณหาอุปทานนั่นเองนะอ่มันจะเกิดความที่เรียกว่ายึ้มมั่นในตัวตนขึ้นมาเข้ามาด่าเรานะเข้ามาว่าเรานะมีตัวตนขึ้นมาดูทุกครั้งนะมันจะมีอัตตาขึ้นมาให้เราเห็นทุกครั้งเลยนะ ตรงนี้แนหะเราต้องรู้ให้ทันนะเพราะฉะนั้นการที่เราแค่เรารู้เฉยๆทุกๆอย่างนะไม่ไว่าจะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันก็จบอยู่แค่นั้นเองมันไม่เข้ามากระทบจิตของเรานะอันนี้แหละเป็นความรู้สึกตัวในระดับที่ชั้นสูงนะอาจจะเรียกว่าสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะเป็นการแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกตัวก็มีหลายระดับนะระดับแรกก็ตั้งแต่พื้นฐานในฐานากายนี่ให้ได้ก่อนอ่านะเสร็จแล้วมันก็ไล่ลําดับขึ้นมาเรื่อยๆจนแค่อีกหน่อยเราก็แค่รู้เฉย แล้วมันก็จบอยู่ตรงแค่รู้เท่านั้นนะมันก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะจิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอ่าจิตก็เป็นภาพัฒสอนอยู่แล้วนะจิตที่ประภาพสอนเนี่ยในบางขณะก็อาจจะมีสิ่งต่างเข้ามานะเข้ามาอ่าเปรตเสมือนกับว่าดวงจันทร์ซึ่งสว่างสวยเนี่ยอาจจะมีเมฆมีหมอกอ่ามีเข้ามาปกคลุมแล้วก็จางหายไปนะเพราะจิตเดิมว่าพระพัฒสอนอยู่แล้วนะ เพียงแต่ว่าเราจ ะ, ะทําอย่างไรที่จะไม่ให้เมฆหมอกเนี่ย <c oughs> เข้ามาบดบังจิตของเราเท่านั้นเองนะเมฆหมอกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปถ้าเราไปยึดมั่นในเมฆหมอกเนี่ยจิตมันก็จะมัวหมองอยู่ตลอดกาลนะเพียงแต่ว่าเราให้ผ่านไปผ่านไปเท่านั้นเองนะผ่านในวัยที่สุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมฆหมอกมันไม่ได้เข้ามาบัง จิตประพัทธสอนได้ก็ยิ่งดีนะก็คือการที่เราแค่รู้เฉยมันก็ไม่เข้ามาแล้วนะเราก็ต้องฝึกในตรงนี้ถึงระดับหนึ่งนะไม่ได้เข้ามาเขาเรียกว่าเมื่อเรารู้เฉยแล้วมันจะกลายเป็นผู้ดูผู้เห็นไปนะมันก็ไม่เข้าเป็นผู้เป็นเหมือนที่หลวงพ่อคําเขียนได้พูดอยู่บ่อยๆว่าเห็นไม่เป็นนะเห็นแล้วก็ไม่เป็นนะเป็นผู้ดูผู้เห็นก็ไม่เป็นนะไม่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เห็นความทุกข์ ไม่เป็นผู้โกรธนะเป็นผู้เห็นเห็นความโกรธนะียตรงเนี้ยมันก็จะเหนื อ, อจักรลมต่างๆนะเหมือนกับที่สร้างบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างสองชั้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้เหนือน้ํานั่นเองน ะ, ะน้ำมาก็อยู่ใต้ถุนนะเพราะเราอยู่เหนือเขานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่เหนือลมนะทุกอย่างเมื่อเราอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่อยู่เหนือโลกเองนะเพราะโลกนี้คืออะไรนะโลกนี้คือความเป็นนิจจังความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และเป็น สิ่งที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ตนนะพอเราอยู่เหนือแล้วเราก็จะเข้าใจโอ้ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงนะมันมาแล้วมันก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปนะแค่เราอยู่เหนือมันให้ได้เท่านั้นเองนะอในสมัยโบราณก็มีกษัตริย์องค์หนึง่งนะกษัตริย์องค์นี้นะบางครั้งก็จะมีความทุกข์บางครั้งก็จะมีความสุขอยู่เรื่อยๆนะคราวงนี้ก็เลย ตั้งคำถามแล้วก็ถามผู้รู้ทั้งหลายป่าทั้งหลายบอกว่าผู้ใดที่จะทําให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ไม่ไปติดอยู่ในสุขนานเนี่ยก็จะให้รางวัลก้อนใหญ่เลยน ะ, ะก็มีคนมาแนะนําหลายๆอย่างนะวิธีการต่างๆเยอะแยะนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะ พอดีมีพรามองหนึ่งนะก็เลยวแหวนมานะที่แหวนก็สลักคําว่าแล้วทุกอย่างจะผ่านไปนะนะพระองค์ก็แหวนแล้วมาใส่นิ้วลองดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครา้ น, นี้พอเกิดนะมีความทุกข์ขึ้นมาก็เหลือไปดูที่แหวนแล้วทุกอย่างจะผ่านไปโอ้ก็เลยนึกขึ้นมาได้โอ้ความทุกข์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะก็เลยสบายใจนะ เมื่อมีความทุกข์ครั้งเนี่ยก็จะดูแหวนดูครั้งเนี่ยปรากฏว่าความทุกข์ก็ผ่านไปจริงๆนะเพราะว่าสามารถที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงได้ว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนาะเราบังคับบัญชาไม่ได้เนาะมันก็ผ่านไปเนี่ยอันนี้ที่มันผ่านไปเพราะว่าจิตมีการยอมรับนั่นเองนะยอมรับในความเป็นจริงทุกขังหน้าตาว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองนะ จิต ท, ที่เข้าใจในหลักความจริงต่างๆมันจะเกิดการยอมรับนะแต่ถ้าใครที่ไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ทุกข์หนักนะมันก็น้าท่วมเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทุกข์แต่กายอย่างเดียวนะแต่ทุกข์ใจไปด้วยความทุกข์ใจในสูญเสียเสียหายหนักยิ่งกว่าทุกกายนะเพราะนั้นเราจะได้ข่าวว่ามีความเครียดกับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมมีเยอะมากนะขเขาเลยระดมจิตแพทย์เนี่ยเรไปช่วยกันเยอะบางคนเครียดถึงกับจะฆ่าตัวตายในเยอะมากนะโดยเพราะ ชาวกรุงนะเพราะว่าเป็นคนคิดมากนั่นเองน ะ, ะแล้วก็ไม่ยอมรับหลักความจริงง่ายๆส่วนชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรกรทั้งหลายแหลความจริงพวกนี้ก็เสียหายมากนะแล้วเงินก็มีน้อยด้วยนะบางทีปลูกข้าวไว้เนี่ยเสียหายหมดทั้งหมดเลยน ะ, ะเรียกว่าแทาหมดเนื้อหมดตัวแต่ปรากฏว่าคนชาวนาชาวไรนะ่ไม่เคยเครียดกัน นะเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นคนที่เรียกว่าเขายอมรับชะตาของเขาอยู่แล้วนะเขาก็ไม่มีความทุกข์ใจมากเท่ากับคนกลุงนะคนกลุงเนี่ยพอประสบอะไรปรั๊บปุ้ทุกข์หนักเลยนะเกิดความเครียดอนะสิ่งต่างๆา ม, มานี่ยเยอะแยะนะทะเลาะเบาแว่งกันนะแล้วก็ฆ่าตัวตายกันนะเขาจิตนะมีความเปราะบางไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเป็นแบบนั้นเองเราก็ยอมรับมา ยอมรับเขานะเหมือนกับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นเอดส์นี่แหละนะพอรู้ขั้นต้นโอ้โหมีความทุกข์มากเหลือเกินนะมีความคิดมโหฬาร น, นะความคิดทําให้มีความทุกข์มีความเครียดทั้งนั้นเลยนะแต่พอผ่านไปแล้วสองสาปีเออจิตก็เริ่มยอมรับแล้วนะเราก็เป็นแบบนี้แล้วมันหลีกเรียงไม่ได้มันก็มีความสุขขึ้นนะนั่นแหละก็คือไม่จิตไม่ยอมรับแล้วมันก็มีความสุขขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเรานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะ เราทำดีแล้วไ ม, ไม่เห็นความดีของเรานะใครจะมาด่าว่าใครจะมาติชินนะใครจะมาแกล้งเราแค่เรายอมรับก็จบแล้วนะยอมรับไปเลยนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเมื่อไหร่นั่นแหละคือการดิ้นรนของจิตนะจิตที่ไม่ยอมรับนะมันจะมีการดิ้นรนอยู่ความดิ้นรนของจิตทุกอย่างนะ่ะมันก็คือความทุกข์นั่นเองนะเพราะนั้นนะเมื่อเราเข้าใจสภาวะธรรมเข้าใจโลก ว่า โ, โลกนี้มันเป็นแบบนี้เองนะเราบังคับบัญชาใครก็ไม่ได้หรอกแม้ตัวเราเองเราก็ยังบังคับบัญชาตัวเราเองไม่ได้เลยนะแล้วเราก็บังคับสต่างๆก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงไปเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วเนี่ยเราแค่ยอมรับโลกนี้เท่านั้นเองตามความเป็นจริงมันก็ไม่ทุกข์นะมันจะไม่ทุกข์เลยเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาในตรงนี้ให้ได้นะสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเรียกว่ากระแสจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ยอมรับ มันจะยอมรับทุกทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันต้องให้เวลากับเขานะคือจิตเนี่ยมันสามารถที่จะลืมทุกๆอย่างได้อยู่แล้วนะไม่ว่าใครจะามาทําให้เรามีความทุกข์ขนาดไหนจิตเนี่ยมันก็จะลืมของเขาได้อยู่แล้วเนะี่ยคือจิตแสดงสภาวะธรรมให้เราเห็นแล้วว่าเขาลืมไปนะเขาลืมไปแล้วแต่เราก็ไปลื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ลืมในสิ่งเหล่านั้นนะอันนี้นะ่ะเรากลับมาดูจิตตามความเป็นจริงนะ ว่าเขาเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่เรามาฝึกจิตรสติเนี่ยก็เพื่อให้รู้รจักนะร่างกายและจิตใจเนี่ยตามความเป็นจริงนะแต่ถ้าโดยสรุปให้สั้นๆลงว่าไอ้คาว่าจิตใจเนี่ยมันก็กว้างเกินไปนะถ้าเปลี่ยนหปว่าจิตใจเนี่ยคืออารมณ์นะก็คือให้เรารู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงนะมันจะง่ายขึ้นมาเยอะเลยนะให้เรารู้จักอารมณ์ของเราให้ดีนะ แล้วก็ไม่เข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอารมณ์นั่นแหละคือการแสดงออกของความทุกข์นะความทุกข์มันจะแสดงออกมาในรูปของอารมณ์ต่างๆนะอ่าความเครียดความเหงาความกลัวอ่ความกังวลความบิดาต่างๆเหล่านี้ก็คือมันแสดงในรูปของอารมณ์นะแค่เรารู้จักอารมณ์ก็เราให้ชัดๆเท่นั้นเองนะอ่าเราก็จะ อ, ออกจากความทุกข์ต่างๆได้เนี่ยเพราะฉะนั้น คำว่าจิตเนี่ยบางทีมันกว้างไปนะแค่เราเปลี่ยนหมว่าให้เรารู้จักจิตใจก็คือรมของเราเนี่ยให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะเราจะไม่ทุกข์กต่อไปโดยการที่ให้เขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ไปกักเก็บเข้าไว้นะเวะลาก็คอยทุกท่านนะจเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป